ความเป็นมาของผ้าป่าวันนี้ปีที่แล้วพอกรถิ่นเสร็จพุกวัดหลวงพ่อก็ได้รวบรวมพระวัดต่างๆวัดไหนที่กรถินตกค้างไม่มีผ้าป่าไม่มีกรถินก็จะได้รวบรวมจตุปัจจัยจากวัดพี่ที่ได้รับกรถินที่ได้รับกรถินวัดไหนได้รับกรถินก็เอามาเฉลีย่ยกับวัดที่ยังไม่ได้รับผ้าป่าผ้ากรถิน ปีที่แล้วก็ได้จัดถวาย เ, ออเมื่อผ้าป่าผ่านกระถินไปไม่นานแต่ปีนี้ออกพรรษามาแล้วเป็นเวลานานหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ทอดผ้าป่าก็คิดในใจเหมือนกันนะปีนี้หลวงพ่อจะเพราะหลวงพ่อเองก็รับภาระในการก่อสร้างหลายหลอย่างทั้งโรงพยาบาลด้วยทั้งโรงเรียนด้วยออแล้วก็ จะมารับผ้าป่าถวายพระอีกก็คงจะหนักหลวงพ่อก็คิดสองจิต2ใจเหมือนกันแต่ทีนี้พอมาถึงพอพ้นพรรษาเดือนพฤศจิกาธันวาก็ได้ยินเสียงขึ้นมาว่าเอ้าหลวงพ่อปีนี้ไม่มีการทอดผ้าป่าบางเหรอหลวงพ่อก็เลยมาคิดพิจารณาดูว่าเอพอพราะวัดต่างๆที่ไม่ได้กระถิน่นไม่ได้ผ้าป่าจะกการจะพัฒนาวัดวาศาสนาขึ้นมา ก็คงจะลําบากเพราะว่านี่กระโจนหน้าไฟป่าเข้ามาแล้วคือมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้รถหรือใช้คนปรับรอบบริเวณของวัดอย่างที่พระที่มานั่งอยู่ที่เนี่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละที่ที่ของท่านบางแห่งก็มีที่ถึง4 5่ห้พันไร่ก็มีสองสร้อยไร่5้ร้อยไร่มีที่ท่านรักษาป่า เพราะนั้นมีความจําเป็นอย่างมากในหน้าแ้งเนี่ยจะต้องมีรถไถหรือว่ารถแท็กเตอร์ปรับแนวรอบรั้วเพราะว่าได้ทํารั้วเอาไว้แล้วก็เจ้าท่องในปรับรอบรั้วเวลาไฟป่าเข้ามาพนในวัดหรือพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็จะได้วิ่งเข้าไปเพื่อจะดับไฟในจุดนั้นไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในวัดอันนี้ก็เจ้าท่องในใช้จะตก ป, ปัจจัยเกี่ยวกับค่าน้ํามูกน้ํามัน ใส่รถไถหรือว่าว่าจ้างคนที่ให้ถางป่ารอบแนวรั้วเอาไว้เกรดปัดกวาดแนวรั้วเอาไว้ไม่ให้มันมีขยะไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาอันนี้ก็คือมีความจําเป็นอันดับหนึ่งต่อมาก็เรื่องเสนาสนะพระสงฆ์แต่ละวัดถึงจะมีพระน้อยวัดน้อยมีพระน้อยก็รจริงแต่สาราหรือว่ากุติ ห้องน้ำห้องส้วมถนนหนทางของท่านก็มีอยู่บางทีท่านก็มีมีหมู่เพื่อนจํนาพรรษาห้าหกเจ็แต่ละวัดก็มีเสนาสนะเพราะฉนั้นทางว่าปีหนึ่งไม่มีจตุปัจจัยไม่มีกระถินผ้าป่าไม่มีจตุปัจจัยเลยที่จะดูแลบํารุงรักษาเสนาสนะเหล่านั้นมันก็น่าคิดเหมือนกันบางทีต้นไม้อยู่ในป่ามันหลุดหล่นลงมาถูกกระเบื้องอย่างนี้กว่าที่จะหาเงินมาซ่อมเสนาสนะแต่ละหลัง ก็เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อเขามาคิดในหลายๆอย่างตลอดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยของพระในวัดหรือศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องกับวัดก็มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้ใจตุปใจเพราะนั้นหลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกแต่หลวงพ่อเองก็หนักปีนี้เพราะว่าได้เริ่มสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ประกาศก็เป็นของหลวงพ่อเองส่วนหนึ่งที่ หาจัดทายาตโยมร่วมสมทบในเจดีนี่ก็การก่อสร้างทั้งหมดก็งบ14ล้านเฉพาะ อ, องค์เจดีแล้วถนนหนทางแล้วกับภูมิทัตพวกรัว้วพวกสวนหย่อมเข้าไปอีกก็คิดว่าคงจะรายเงินพอสมควรจากนั้นก็ได้ช่วยโรงเรียนที่เขาขอมาก็ได้ตกลงรับปากเขาไว้ เงินกระถิ่นเงินผ้า ป, ป่าก็าได้สมทบในจุดนั้นข้างๆโรงเรียนข้างๆเจดี JD, หมู่บ้านอำเภอคำจีนั่นแหละอันนี้ก็งบ2องล้านแปดแต่หลวงพ่อจ่ายไปแล้ว8ปดแสนยังอยู่อยู่2ล้านอันนี้ก็กําลังเริ่มทํากันอยู่ก็คงจะเสร็จพร้อมๆกันกับเจดีถ้าจะว่าหนักแล้วก็ก็ได้ใช้จตุปัจจัยพอสมควรจากนั้นกระทางโรงพยาบาลสูตรอุดรก็เข้ามาหาหลวงพ่ออีกหลวงพ่อก็กตกลงเอา้า ก็หาแต่ไม่ได้หนักใจนะก็หาจากศรัท ธ, ธาญาติโยมหลายหลายท่านเขาอยากจะได้เตียงไฮโดรลิกสำหรับห้อง ICU เขาอยากจะได้25เตียงแต่ลวงพ่อกชักชวนญาติโยมพี่น้องประชาชนทั้งเงินวัดด้วยทั้งอะไรด้วยผสมประสานกันก็ได้เตียงมา29เเตียงคิดเป็นเงินเกือบล้านเ็ดและทีนี้เขาก็ต้องการอีกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะได้เครื่อง ช่วยหายใจเรื่องเซนทันมอนิเตอร์ในในนั้นก็มีหลายอย่างสำหรับห้อง ICU อีกอันนี้ก็ตีราคาอีกตัวละ2ล้าน2อตกลง2ล้าน2แต่บริษัทเขาเรียกที่แรก3ล้าน2แต่ต่อต่อเข้าจริงๆแค่ว่าเงินบริจาคเงินไม่มีภาษีเป็นเงินบริจาคเงินสดนะเขาเลยลดให้เป็น2ล้าน2เป็นนั้นว่าหลวงพ่อหรือว่าหมอโรงพยาบาลศูนย์ ซื้อเครื่องนี้ขึ้นมาเขาลดให้ล้านหนึ่งวางั้นเถอะฟังๆโดยที่ลดให้ล้านหนึ่งแต่เท่าตีราคาสล้านสองพอเอาจริงๆสองล้านสองแต่นี้ก็พอต่อมาอีกเขาก็อยากจะได้อีกเครื่องหนึง่งหลวงพ่อก็ถามศรัท ธ, ธาญาติโยมถ้าชายโยมก็บอกว่าผมจะถวายให้ท่านได้หนึ่งล้านหนึ่งแสให้ท่านหาอีกหนึ่งล้านหนึ่ง0สนก็แล้วกัน หลวงพ่อก็พยายามหาอีก1นึ่งล้านหนึ่งจากศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องก็เลยได้2เครื่องเนี่ยนะอันนี้ก็กำลังสั่งอยู่เครื่องเซนท่านมอนิเตอร์ที่จะมาให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรจากนั้นก็เล็กๆน้อยๆให้โรงพยาบาลท่าบ่อเครื่องทํากระดูกอย่างนี้เขามาขอหลวงพ่อก็ให้ไป 30,000 นกว่าแล้วเรื่องวัดนี่ก่อนเนี่ยรูปเราเนี่ยถนนหนทางเข้าไปวัดเนี่ยก็เป็นหลุมเป็นบ่อ หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็เออทางถนนแย่มากก็ทําถนนเข้าไปอีกสองแ 0,000 กว่าสรุปแล้วค่าใช้จ่ายของหลวงพ่อเองที่เจตุปใจัศรัทธาญาติโยมมาถวายหลวงพ่อก็ได้ช่วยในสิ่งเหล่านี้แหละทั้งโรงเรียนด้วยทั้งโรงพยาบาลด้วยทั้งวัดวาศาสนาด้วยสรุปแล้วก็คือแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแจกแบ่งในสิ่งที่จําเป็นแต่นี้ก็มาจุดที่ว่าวัดต่างๆเนี่ย ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าหมู่พวกเพื่อนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีกะถินไม่มีผ้าป่าก็ททำให้หลวงพ่อได้คิดอีกเหมือนกันว่าจะช่วยเหลือท่านเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะนั้นจึงมีวันนี้ขึ้นมารวบรวมจจตุปัจจัยจากวัดต่างๆที่พวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเองก็ในงานนี้นะเงินที่ผ่านหลวงพ่อมาเป็นเงินสี่ 0,000 กว่าบาท น, นะในงานนี้ จากนั้นหลวงพ่อก็เก็บลายเล็กลายย่อยายเล็กรายน้อยเข้ามาอีกแส8 0 0 0เป็นอันว่าหลวงพ่อได้ในครั้งนี้4 0 8 0 0นพะพบาทที่ผ่านมือหลวงพ่อที่รวมสมทบผ้าป่าในวันนี้อันนี้ก็เลียนให้พี่น้องญาติโยมทั้งหลายได้ทราบนะอันนีค้คือความเป็นมาจะตุ ป, ปัจจัยหรือว่าการใช้จ่าย แต่อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อจะขอเตือนเ อ, อหรือว่าขอบอกกล่าวพระสงฆ์ที่มารับผ้าบางสกุลในวันนี้ให้นึกถึงพี่น้องประชาชนที่รวบรวมจิตตุปัจจัยได้มาแต่พวกเราเห็นว่าได้ง่ายแต่ตามไม่จริงแหล่งปัจจัยที่จะได้มานั้นไม่ใช่ของง่ายหลวงพ่อเองเห็นคุณค่าในจิตุปัจจัยของพี่น้องประชาชน เมื่อได้รับเจตุปัจจัยมาแล้วจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ให้มากก่อนที่จะใช้ให้คิดซะก่อนอย่าไปใช้สุ่มสีุ่มหจะอย่าไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าใช้ไปแล้วถ้าใครได้ยินว่าเราใช้ไปอย่างนี้เขาจะตำหนิได้เฮบางท่านบางคนบางองค์น่พอได้เงินมาแล้วนู่นซื้อในสิ่งที่ไม่ควรซื้อจ่ายในสิ่งที่ไม่ควรจ่าย ทำให้พวกศรัทธาญาติโยมได้ยินแล้วก็เอื้อมละอ่าเพรานั้นพวกเราเป็นพระกรรมฐานนะน้องนุ่งทั้งหลายหลวงพ่อขอเตือนให้พวกเราทั้งหลายให้ใช้จตุปัจจัยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ศรัทธาญาติโยมมีเจตนาดีอยากจะให้พวกเราใช้บุรณะเสนาสนะสง์ให้เกิดประโยชน์บำรุงพระพุทธศาสนาหรือพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยในวัดของพวกท่าน กับพวกท่านก็ใช้จ่ายได้หรือญาติโยมอุปรรถัมภ์ป่าาใกล้ชิดมีความจําเป็นเย็บไข้ได้ป่วยก็ให้แต่มีใครจะมาขอกู้ขอยืมนะ่ยอย่าไม่ให้เพราะอันนี้เป็นเงินของวัดเป็นเงินของศา ส, สนาเออเอาไปยืมไปค้าไปขายไม่ได้ไม่ถูกเออแปลว่าใช้เงินผิดประเภทแต่ถ้านํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เ, เก็บเอาไว้เป็นของกลางเอาไว้เอามาใช้ เ, เมื่อมีความจําเป็น ก็เอามาใช้ได้เสนาชนะถนนหนทางจำรุดชุดโสมกุฏิศาลาห้องน้ําอะไรที่มันเสียหายก็เอามาซ่อมแซมแต่เงินจานวนนี้ไม่ใช่เงินก่อสร้างนะก่อสร้างคงไม่พอแน่แที่จะไปก่อสร้างห้องน้ําห้องถ่าอย่าไปปลูกในสิ่งที่ก่อสร้างให้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นซ่อมแซมมาไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่ามีเงินมาอีกส่วนอื่น ที่เราจะก่อสร้างเออยังค่อยว่ากันแต่เงินจํานวนนี้ให้ซ่อมให้ซ่อมแซมเสนาสนะเมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นที่ให้ในครั้งนี้นะถึงจะได้วัดละน้อยก็จริงอยู่แต่รวมกันทั้ง12วัดก็เป็นเงิน 670,000 แนไม่ใช่ของหาได้ง่ายๆ่ายาถ้าว่าครอบครัวใดก็ตามในชนนบทนี่จะหาเงินได้อย่างนี้ไม่ใช่ของง่าย เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระนะหลวงพ่อก็ขอเตือนต่อหน้าศรธยายญาติโยมนี่แหละให้ใช้ให้เงินให้เกิดประโยชน์ได้ยิ น, น, น, น, น, นแต่โบราณท่านว่านะหลวงพ่อได้อ่านหนังสือโบราณท่านว่าน่ยเงินทะองเป็นของกายเยสิตถ้าย้อนความคิดจะรักษาไว้ไม่อยู่เงินทองเป็นของกายเยสิตถ้าย้อนความคิดรักษาไว้ไม่อยู่เพราะนั้น ที่เราจะใช้สิ่งใดก็าตามต้องคิดให้รอบคอบซะก่อนก่อนที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปใช้อิรุยสุยแฉกด้วยการบริหารจัดการเรื่องการเงินก็ตามคือเอาเข้าบัญชีของวัดไปเลยเแล้วก็มีวิยาวัชกรรับรู้รับทราบวิยาวัจกรไม่ใช่ว่าคณะกรรมการเออกรรมการหนึ่งวัดหนึ่งกรรมการหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ควรจะมีแล้วในยุคสมัยนี้ คำว่าวยาวัจกรที่สำนักพุทธเข้ามาอธิบายที่ภูกอนเขาบอกว่าวยาวัจกรน่ะเป็นเพียงแต่รับรู้รับทราบเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะเป็นเจ้าของของเงินวิยาวัจกรเป็นเพียงรับรู้รับทราบว่าเงินก้อนนี้ตกมานี้ใช้ไปยังไงใช้เกิดประโยชน์ไหมให้โปร่งใสในการใช้เงินเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเอามาใช้แล้วใช้อิรุยชยแชกไม่มีใครรู้เลย อันนั้นแปลว่ามันไม่โธอถานว่านั้นสํานักคุตต์เขาวางเงินนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเงินจะเข้าบัญชีของไวยาววัจกรวยาววัจกรเขาจะใช้ยังไงไวยาววัจกรลงมติกันแล้วใช้พระก็มีแต่นั่งดูตามผิิพเวลาพระจะใช้สั่งของเข้ามาถ้าวยาววัจกรไม่ไปเบิกมาให้พระก็ไม่มีปัญญาที่จะไปเบิกไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้เป็นเงินของวัดเป็นเงินของพระ การให้ครั้งนี้ที่หลวงพ่อจัดผ้าป่าศรัทธาญาติโยมในครั้งนี้หลวงพ่อมอบให้แก่สมภารสมภารของวัดเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการแต่ใช้ให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้เป็นวิถีนายอย่าไปใช้แบบไม่คิดไม่อ่านอย่าไปใช้แบบอุลุยชุยแฉะหลวงพ่อไม่ได้เอาปัจจัยให้ไว ย, ยาวัจกรนะอไม่ใช้เอาไปให้โยมนะให้พระที่เจ้าของของวัด ออกมาซ่อมแซมเสนาสนะดูแลวัดวาศาสนาดูแลผู้ที่เกี่ยวขอ้องถ้าหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ใช้จิุปัจปจัยเหล่านี้เพื่อดูแลเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้นานเท่านานอันนี้เขาขอให้พวกพระก็ดีศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็ดีให้รับทราบร่วมกันน ะ, ะพวกเราก็ได้เจตนาก็คืออยากจะให้พระสงฆ์ บำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่นานเท่านานเพื่อไม่ให้ขัดข้องต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมจิตภาวนาของท่านท้าววัท่นานมีความขัดข้องเรื่องเสนาสนะจิตใจของท่านก็จะวิตกกังวลกับถาวรวัตถุหรือสิ่งข้อสร้างของท่านที่ลังคาล่วบงบังกุฏิหอ้องน้ําแตกบ้างอะไรบ้างาพวกเราก็จะได้ช่วยเจือจุนในจุดนั้นให้ท่านสบาย อ, อกสบายใจจากนั้นก็ท่านก็จะได้ เร่งทำสมาธิภาวนาหาทางพ้นทุกนะพวกศรัทธาญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็จะได้บุญกุศลจากท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอต่อไปนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อได้พูดให้ฟังแนวทางาที่พระสงฆ์ท่านจะใช้จตุปัจจัยอย่างไรและก็พวกเราทําบุญทําทานมีจุดประสงค์อะไรแต่นี้ต่อไปก็รับพรณนะตตนีนะอนุโมทนาให้พร เมื่อรับอนุโมทนาให้พรแล้วก็แยกย้ายกันกลับอะไรถนี่นะพวกเราได้ทําสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อรับพรก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลด้วยนะอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศสาคณนาญาติญาติมิตรสหายอย่างที่พวกเราได้ทําบุญในอุทิศ ส, ส่วนกุศลเมื่อเช้านี่แหละตอนเช้าเราทำบุญถวายพัฒฐานพระสงฆ์แต่บัดนี้เราถวายผ้าป่าถวายจตุ ป, ปัจจัย เพื่อท่านจะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อตอนนี้ไปแล้วพรนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสักครัง